ถ้ามันไม่เต้นหรือมันเต้นผิดจังหวะเปลี่ยนจังหวะเพราะมันเบือ่อมันอยากจะเต้นจังหวะใหม่ๆบ้างเรานั่นแหละที่จะเดือดร้อนอมันก็เต้นจังหวะนี้แหละแค่นี้ก็เพราะมันเต้นจังหวะซ้ำๆไปซ้ำๆมานี่แหละก็ทําให้เราอยู่ได้ทุกวันเราก็ต้องกินข้าวก็กินข้าวทุกมือ้อทุกมือ้อทุกมือ้อมันก็ทําให้เราอยู่ได้ถ้าจะไปเปลี่ยนกินข้าวไม่เป็นเวลาบ้าง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 ให้เป็นไปตามปกติแม้แต่การเรียนหนังสือของเราเราเขียนกอไก่ขอไข่ได้ก็เพราะเราทำซ้ำๆจะท่องสับจะท่องอากขายนก็ต้องท่องซ้ำๆนะสับบางตัวนี่กว่าจะจำได้มันต้องท่องจำไม่รู้กี่ครั้งให้เราอย่าไปรังเกยียจะอย่าไปไหนแหนงการทำอะไรซ้ำๆนะเดี๋ยวนี้เราไปเชิชูว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะฟังเพลง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 เขาทำงานหนักกว่าเราเยอะตื่นเช้าต้องไปนาต้องไปไร่ต้องไปตากแดดตากฝนจับจอบจับเสียมขุดดินกว่าจะกลับมาก็คับมืดงานที่เราทํำยังสบายกว่าแม่ครับแม่ค้านต้องตื่นมาตีส4มตแล้วก็กินไม่เป็นเวลาต้องอยู่ในตลาดต้องเจอกับอะไรต่ออะไรมากมายหรือว่าเป็นประเภทต้องหาเช้ากินขํมามกรรมกรก็ยิ่งแล้วใหญ่ ต้องเสี่ยงอันตรายตากแดดตากฝนไม่รู้จะมีกินหรือเปล่าแต่นี่เราอยู่นี่ก็เรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นไม่ได้ใช้แรงอะไรเจอแดดมากเราก็หลบเข้ามาในศาลาในคุติฝนตกก็ยังมีที่พักพิงไม่ต้องไปคอยดิ้นรนเอาตัวรอดก็เพียงแต่ว่าทำในสิ่งที่มันอาจจะดูซ้ำๆนะแต่ที่จริงมันไม่ซ้ำซากนะมันไม่จาเจร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 จิตเป็นที่พึ่งของตนเองให้ได้แต่บางท่านนั้นก็รู้ว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลท่านก็ใช้วิธีตําหนิตนะเจ้าจิตตัวร้ายนะเราจะไม่ยอมอยู่ใต้อํนานาจของเจ้านะกามนี้เป็นของเผ็ดของแสบเราจะมุ่งแต่พานิพันธ์อย่างเดียวนี่ท่านก็บางท่านก็พูดอย่างนี้เลยตําหนิตจิตว่าเราจะไม่ยอมอยู่ในอำนาของเจ้าเจ้าไม่รู้หรือว่ากามนี้เป็นสิ่งเผ็เผดแสบ กาในที่นี้ก็หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงที่มันน่าพึงพอใจอการมันเป็นสิ่งที่เผ็ดแสบเป็นทุกข์เจ้าจะทุกไปกับมันหะรือนะเราจะไม่ยอมอยู่ในบังคับของเจ้าเพราะเราจะมุ่งแต่พรานิพันธ์แต่บางท่านบอกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลนะจะปลุกปลอบจิตก็ไม่ได้ผลนะจะตำหนิมันไม่ได้ผลก็ต้องด่า ม, มันเลยนะเจ้าจิตผู้ชั่วช้าเจ้าจะเพลินกิเลสไปอย่างเือนเดิมไม่ได้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 ที่จะข้าครวนไปคิดถึงความสุขสบายที่ทําอะไรได้ตามอําเภอใจในอดีตอันนั้นไม่เป็นประโยชน์ให้เรามายอมรับปัจจุบันแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะมองมันในแง่ดีว่าเออยังดีกว่าไปเป็นชาวนาชาวไร่ยังดีกว่าพวรกรรมก ร, รที่ก็ต้องหามเงือต่างน้ําให้เราก็แค่เดินไปเดินมาแค่ยกมือสร้างจังหวะทํามัจะตายก็ให้มันรู้ไป ต้องบอกกับใจของเราอย่างนี้ต้องสู้หาวิธีที่จะทําให้จิตใจของตัวเองนะมันมีกําลังขึ้นมาและสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เราระลึกว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะทำสี่ห้าวันแต่ว่าถ้าทําอย่างจริงจังจริงจังในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงซีเรียสนะอย่าทำด้วยอาการที่หน้าดำํำขําเคร่งปฏิบัตินี่มันปฏิบัตแบบิแบบแบบไม่ต้องเคร่งไม่ต้อง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 อย่างผู้ที่ฝึกโอลิมปิกมาเนี่ยเด็กๆนะมาฝึกยิมนาสติกเพื่อจะไปแข่งโอลิมปิกตั้งแต่5ขวบตั้งแต่5้าขวบก็ถูกดึงมาฝึกกันแล้ววันละสิชั่วโมงเหยียดแข้งเหยียดขาทําสารพัดเป็นเวลา78ปีเพื่อจะได้มาเล่นโอลิมปิกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแค่ไม่กี่วันพวกวิ่งแข่งก็เหมือนกันวิ่งมาเป็นหลายๆปีเพื่อจะได้มาแข่งกันร้อยเมตรนี่ก็แค่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 ฉีกยิ้มให้ได้เห็นฟัน6ถึง8ซี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงยืนให้ตรงเอาหนังสือวางไว้บนหัวไม่ให้ตกลงมาใครทำหนังสือตกลงมาก็ถูกตัดคะแนนแล้วก็ไอถูกไล่ออกตกรอบไปไม่ได้ยืนปล่าๆยืนไปชั่วโมงเอาข่าหนีบกระดาษเอาไว้ก็ฝึกมาเป็นเดือนนะเป็นเดือนเดือนเพื่อจะมาใช้แค่2อที่เท่านั้นแหละแล้วหลังานี้คงไม่ได้ใช้อีก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 จิตก็ไม่ตกจิตเป็นปกติได้อันนี้ต้องอาศัยธรรมะโดยเฉพาะสะติและปัญญาทำให้ใจเรานิ่งสงบบางทีก็เรียกว่านะมีอินทสียสังวรนะอินเสียสังวรก็คือการที่รักษาใจให้เป็นปกติได้โดยที่ไม่ขึ้นไม่ลงนะไม่เกิดอาการชอบหรือชังไปตามสิ่งที่เห็นบางคนจะบอกว่าเวลาเจอสิ่งดีๆฉันสุข แต่ว่าเวลาเจอสิ่งไม่ดีฉันไม่ทุกได้ไหมมันทำไม่ได้นะใจที่สุกมากเวลาเจอสิ่งที่น่ายินดีพอเจอสิ่งที่ไม่น่ายินดีมันก็ต้องทุกข์มันเหมือนกับว่ายิ่งอยู่บนที่สูงมากเท่าไหร่ตกลงมา ก, ก็ยิ่งเจ็บไม่อยากตกลงมาเจ็บเจ็บก็อย่าไปขึ้นสูงมากนะใจที่มันปล่อยให้ลอยสูงเพราะยินดีในสิ่งที่น่าพึงปัถนาเวลาพ ล, า, พลาจากสิ่งนั้นมันก็ต้องตกลงมาเจ็บเป็นธรรมดา นั่นแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาใจเป็นปกติได้ อ, อได้โชคได้ลาบก็ไม่ได้ปล่อยใจลอยมากใครก็ชมเราเราก็ไม่เพลินนะเพราะเรารู้ว่าของพุ่งนี้มันเป็นของไม่เที่ยง<ไ>เรารู้มาว่าเป็นของไม่เที่ยงเรารู้สักวันหนึ่งสารเสริญก็จะกลายเป็นนินทาและเมื่อสารเสริญกลายเป็นนินทาเป็นคําตำเนีจริ ง, รงๆเราก็ไม่ผูกถ้าคนที่ดีใจหัวเราะ เวลาร้องไห้ก็ร้องไห้ดังนะหัวเราองเสียงดังเมื่อได้สิ่งที่พึงปรารถนามันก็ต้องร้องไห้หรือไก่เกลียวด้วยเสียงดังเมื่อพัดพรากจากสิ่งนั้นไปหรือเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหัวเราอก็ร้องไห้นี่มันมาด้วยกันหัวเราะ ด, ดังเท่าไหร่ร้องไห้ก็ดังเท่านั้นถ้าไม่อยากร้องไห้เสียงดังก็อย่าไปหัวเราอง ด, ดังมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ธรรมดาเท่านั้นเอง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 ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างพระในสายพุทธกาลนี้ท่านก็จะมีวิธีการหลายอย่างนะมีเรื่องเล่ามากมายอย่างบางท่านนี่ไปเห็นหญิงฟ้อนลำนะแต่งตัวสวยงามแล้วก็ไายลำในทางที่กระตุ้นให้เกิดกำนัตนะคนทั่วไปไม่มีไม่มีการตั้งรับที่ดีเมื่อเห็นภาพเหล่านี้จิตก็เกิดกำนัดเกิดเป็นอกุศลนะเพราะไม่มีสติ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 เกิดโยนิโสมณสิกาคือคิดเป็นมองเป็นบางท่านนี่ถูกหญิงแพทยยานี่มาย่ยยวนมาชวนให้ลาสิกขาความไปบริโภคกามกันเถิดนะเพราะว่ายัางหนุ่มยังแน่นเอาไว้ค่อยแก่แล้วค่อยมาบวชก็ได้เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งสองโลกนะคือว่าในขณะที่วัยหนุ่มก็ได้บริโภคกามนะหรือได้เสพกามในวัยชราก็ได้ปฏิบัติธรรม ยังไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็ได้แต่ท่านที่ถูกโย่ออยู่แบบนี้จิตท่านกลับนิ่งนะไม่หวั่นไหวไปตามคําพูดหรือว่าอาการที่ได้เห็นไม่เพียงแต่เท่านั้นท่านก็ยังมองต่อไปด้วยว่าโอ้นี่แหละคืออุบายของกามนี่แหละคืออุบายของมานที่มันใช้กามมาเป็นเครื่องล่อนะมามันใช้กามเป็นเครื่องล่อให้เราตกอยู่ในอนํานาจของมันท่านมองเช่นนี้ท่านก็เกิดโปรงขึ้นมา แล้วก็เห็นโทษของกลามจึงก็ทั้งปล่อยวางได้คือถ้ายังไม่เห็นโทษนี่ก็ยังยึดติดนะแต่พอเห็นโทษแล้วเนี่ยมันก็ปล่อยที่เรายังยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เพราะเรายังไม่เห็นโทษมันจริงๆพอท่านเห็นอย่างนั้นท่านปล่อยเลยก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันมีพระ ท, ที่บรรลุธรรมได้ทั้งนั่งที่อยู่ตอนหน้าภาพที่มันชวนให้เกิดกำนัดหรือว่าถูกกระตุ้นในทางการมาลาคฆาแต่ว่ามันไม่เกิดผลแก่ท่านเพราะว่าท่านมีวิธีการตั้งรับ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 ทางพุทธศาสนาจะเน้นมากหรือว่าให้เรารู้จักใช้คําวิจารณ์คาตําหนิให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจา้าก็ยังเคยเปิดให้พระสงฆ์นี้วิจารณ์ว่าพระองค์นี้มีอะไรที่บกพร่องมั่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าเรามีท่าทีที่ดีเรามีธรรมะเป็นเครื่องตั้งรับเราก็สามารถจะรักษาใจไม่ให้กระเทือนไปนกับรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆที่เข้ามากระทบได้มันเข้ามากระทบนะแต่ใจไม่กระเทือน